หัวข้อประจําวาระอาคาตะวัตถุอุบายกําจัดวินีตะวัตถุมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอันตะคาหิกะทิฏฐิมิจฉัตตะสัมมตตะอกุศลกรรมบทกุศลกรรมบทจับสลากชอบธรรมจับสลากไม่ชอบธรรมสิกขาบทของสามเณร สามเณรที่พึงให้นาสนะถ้อยคําอธิกรยัตติอาบัตเบาอาบัตเบาอีกอาบัตหนักจงรู้ฝ่ายดำฝ่ายขาวเหล่านี้ไว้อุปพาหิกะสมมุติสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปภายในพระราชฐานทานวัตถุรัตนะคณะสงฆ์มีพวกสิบให้อุปสมบท ผ้าบังสุกุลจีวรสำหรับใช้สอยทรงอติเรกสิบวันน้ำอสุจิสตรีพันยาวัตถุสิบบุคคลไม่ควรไหว้เรื่องสำหรับด่าการส่อเสียดเสนาสนะขอพรการงดปาติโมกไม่ชอบธ ร, รมการงดปาติโมกชอบธ ร, รมยาคูมังสะ ศิกษาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งภิกษุภิกษุนีให้อุปสมบทสตรีที่มีครอบครัวหมวดสิบพระผู้มีพระภาคทรงประกาศไว้ดีแล้วแล